กลัวเพราะอะไรนะกลัวเข้าใจมันไปแล้วมันคิดล่วงหน้าไปแล้วเหตุการณ์นี่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ใจมันคิดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความอยากให้ถึงที่หมายไวๆหรือถึงที่หมายทันเวลาตรงเวลาภายในเวลาหรือว่าเพราะกลัวนะว่าจะไปไม่ถึงไม่ทันหรือเพราะใจที่คิดไปปรุงไปล่วงหน้าแล้วเนี่ยอันนี้ยคือปัจจัยภายใน ซึ่งก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกกระวนกระวายหรืองุดงิดนะมันไม่ใช่เพราะรถติดอย่างเดียวนะแต่เป็นเพราะใจของเราด้วยนะใจที่ปรุงแต่งใจที่คิดไปต่างๆนานาใจที่มีความอยากใจที่มีความกลัวแต่เรามักจะมองไม่เห็นตรงนี้มองข้ามไปเลยนะไปมองแต่หรือไปโทษแต่ไอรถติดหรือว่า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 ใจไปทะเลาะต่อทะเลาะบ่อแว่งกับเสียงนั้นเนี่ยมันจึงทําให้เราหงุดหงิดนะมีเรื่องราว่าสมัยที่หลวงพ่อชาเนี่ยท่านไปได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษเมื่อ40ปีที่แล้วครานั้นหลวงพ่อสุมเมทรอเไปด้วยตอ น, น, นท่านเป็นพระหนุ่มเจ้าภาพเนี่ยซึ่งเป็นชาวอังกฤษก็นิมนต์ให้ท่านไปแสดงธรรมแล้วก็พักที่วิหารแฮมสเตดซึ่งอยู่กลากงกรุงลอนดอน ตรงข้างวิหารนี่ก็เป็นยอดบันเทิงนะก็มีผับมีบาร์ตอนค่ำนี่ก็จะมีการร้องเพลงมีการเล่นดนตรีกันซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หลวงพ่อช้านั้นพาพระนั่งสมาธิก็มีวันหนึ่งนะอาจจะคงจะเป็นวันเยน็นวันศุกร์หรือวันวันจนวันเสาร์เนี่ยขาทิพากลังทำนั่งสมาธิกับญาติโยมเสียงก็ดังกระหึ่มเข้ามาในศาลา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 มีเสียงดังมารบ ก, กวนนะการนั่งสมาธิผมว่าฉันตอบว่าโยมไปคิดว่าเสียงดังมารบ ก, กวนโยมที่จริงโยมต่างหากที่ไปรบ ก, กวนเสียงนะพราะโยมไปรบ ก, กวนเสียงโยมถึงนั่งสมาธิไม่เป็นสุขนะหมายคขาว่าไงหมายคขาว่าใจของเราเนี่ยไปหรือใจของโยมนี่ยไปทะเลาะเบาแวงกับเสียง มีความรู้สึกลบมีความรู้สึกผักสายเสียงนั้นนะอยากจะให้เสียงนั้นมันหยุดอยากให้เสียงนั้นมันหมดไปไปๆถ้าใจเรานิ่งนะมันก็ไม่ทุกข์หรอกเพราะนั้นเวลาหงุดหงิดนะอย่าไปโทษเสียงนะนะต้องต้องโทษใจเราด้วยนะว่าใจเราเนี่ยมันวางไว้ไม่ถูกใจเราวางผิดนะ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 ก็มีมดนะไต่ขึ้นมานะมันไต่ขึ้นมาตามขาแล้วก็เข้าไปในร่มผ้านะีคนก็คนที่เดินก็มีความทุกข์มากหลายคนก็นะเดินไม่เป็นสุขบางคนก็เอามือปัดนะพอเดินจบนะก็มาคุยกันก็ถามเขาว่าทําไมถึงปัดนะทำไมถึงปั ด, นะ ม, ปดมดนะก็ตอบว่า เป็นเพราะมดมันไต่าตามขาอัตมาก็บอกว่ายังตอบไม่ถูกนะตอบใหม่นะทำไมถึงทไมถึงปัดนะคนที่เดินก็งงนะคนหนึ่งก็พูดขึ้นมานะว่า อ, อ๋อเป็นเพราะว่ามันเจ็บนะถึงปัด ที่จริงเจ็บแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ทําให้ปัดนะจะปัดหมดเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกคือมันอยากจะปัดนะมันต้องมีความอยากก่อนถึงจะปัดใช่ไห้ถ้าไม่อย่างไม่ไปปัดหรอกแล้วถามต่อว่าทําไมถึงอยากนะก็เพราะไม่ชอบนะถ้าชอบจะปัดมชอบก็ไม่ปัดนะเพื่อเราแม่เพื่อเราพ่อแม่เรามาเอามือแตะเนี่ยเราปัดไห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 เจ็บนะเพราะมดมันกัดนะมดมันไตเนี่ยมันไม่ทําให้อยากจะปัดหรอกนะมันต้องกัดก่อนเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะจะเห็นว่าไอความอยากจะปัดความไม่ชอบจึงทําให้ปัดและที่ไม่ชอบเพราะมันเจ็บนะแล้วถ้าเราดูดีๆนะมันไม่ใช่แค่เจ็บอย่างเดียวนะมันมีความ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 เป็นโทสะก็ทำให้นะไม่ชอบเกิดความยินร้ายและอยากจะปัดทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นอาการภายในทั้งสิ้นนะมันไม่ใช่ว่ามดไตหรือไม่แต่มดกัดแล้วเนี่ยจึงปัดนะมนมีปัจจัยภายในที่ตามมาอีกนะปัจจัยนะเช่นการรู้สความรู้สึกว่ากูเจ็บการเกิดโทสะ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 เราไม่ค่อยใช้สติในการพิจารณาเวลาเกิดทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็โทษโทษสิ่งภายนอกโทษมดโทษอินฟาอากาศโทษรถติดโทษเจ้านายโทษลูกน้องโทษคนที่บ้านโทษลูกโทษพ่อแม่แต่เราลืมกลับมาดูใจของเราสติมันเป็นตาในที่ทําให้เราเห็นนะอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจและทําให้เรารู้ว่าอ๋อ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 การที่จะแก้ทุกข์หรือหลุดออกจากทุกข์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามองถูกแล้วนะเห็นเห็นคาตอบแล้วนะหรือว่ามองเห็นสาเหตุที่แท้จริงดังนการที่เรากลับมาดูใจเนี่ยนะกลับมาสังเกตใจของเราเนี่ยยิ่งเราสังเกตได้ละเอียดเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งนะมีโอกาสที่เราจะออกจากทุกข์ได้ได้ง่ายขึ้นได้ไวขึ้นนะ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 เราทุกข์เพราะเราคิดถึงอดีตเราเผลอไปคิดถึงอดีตหรือว่าเราเผลอไปคิดถึงสิ่งที่เอามาไม่ถึงมันเป็นความไม่ตั้งใจไปเป็นความเผลอเรื่องนี้ก็ลืมอันนี้ก็ลืมตัวจะเรียกว่าลืมใจก็ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยเรากาลังมานั่งนั่งเดินจงกรมเอ้เรากำลังนั่งสร้างจังหวะเรากำลังเดินจงกรมเรากาลังฟังคําบรรยายแต่ใจมันไปถึงอดีตละอันนี้เรียกว่าใจมันหลงนะอันนี้เรียกว่าลืมตัว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 หรือมันอยู่ในกับดักแห่งหลุมแห่งโทสะแห่งความโกรธจะทํำก็ได้ต้องมีสตินะพอสติเหมือนตาไหนที่ทําให้เราเห็นว่าใจมันอยู่ไหนนะใจมันกําลังปั่นป่วนหรือว่าหลงทิศหลงทางหรือเปล่าปัญหาคือคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะไม่เคยได้ดูใจของตัวเองแล้วก็ไม่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยถึงขนาดที่เราว่าไม่รู้สึกด้วยซ้ําบอกไม่ได้เลยซ้ำว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกอย่างไร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 มีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวภาพน่ากลัวก็จะเป็นภาพอุบัติเหตุคนตายอาชญากรรมภาพศ พ, พที่เละอะไรเงี้ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักวิจัยในคณะของอาจารย์คนนี้ให้ดูสักพักเนี่ยปรากฏว่าหัวใจเต้นเร็วความดันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วอาจารย์ก็รู้สึกสว่าคงต้องหยุดแ ล, ะละ้วล่ะเพราะว่า อาการของคนไข้คนนี้แสดงว่าแกกลัวมากก็เลยบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าคงต้องหยุดแล้วนะผู้หญิงนันบอกว่าหยุดทาไมอะ่ะฉันสบายดีไม่มีอะไรเลยฉันปกติอาจารย์คนนี้งงมากเลยนะเพราะว่าร่างกายของเธอมันฟ้องว่าเธอกลัวมากหัวใจมันเต้นเร็วความดันขึ้นเนี่ยนะมันบอกแล้วแต่เธอไม่รู้ว่าถูกเธอกลัว อ้นี้เป็นกรณีที่อาจารย์คนนี้แกงงมากเนี่ยโหขนาดกลัวยังไม่รู้ว่าตัวเองกลัวเลยนะยังรู้ยังบอกตัวเองปกตินะมันแสดงว่ามันมีความแปลกแยกกับจิตใจของตัวเองและต่อหลังเนี่ยอาจารย์นี้แกก็มารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเพื่อร่วมงานนี่ไม่มีใครชอบสักคนเลยนะไม่มีใครอยากจะทำงานกับเธอทั้งที่เธอเป็นคนเก่งอนะ่ทีแรกก็